ไม่ต้องไปสอนบทเรียนอะไรให้จิตให้จิตเรียนรู้ตัวเองอย่างเป็นธรรมชาตินั่นแหละในกระบวนการของพระป่าก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะที่ท่านใช้กระบวนการแบบเจต ว, วิมุตตเมื่อวานตะมาอ่านในข้อความในอินเทอร์เน็ตมีคนสรุปของปูดุลเอาไว้ท่านก็ใช้สรุปมันลักษณะนี้ลักษณะที่ใช้ฐานหนึ่งทำให้สติเกิดฐานของสมาธิเมื่อสติสมาธิเกิดขึ้นใช้มันในการดู